สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเยซูตอนที่สี่ร้อยเก้าสิบสามเรื่องพระวาระเจ็ดประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้ขังเขนวันนี้เป็นพระวาระประโยคที่ห้าครับพระเยซูตรัสว่าเรากระหายน้ําอยู่ในพระธรรมยอห์บทที่สิบเก้าข้อยี่สิบแปดซึ่งเป็นถ้อยคําแห่งการ ท, ทุกข์ เพียงครับขอทบทวนนะครับถ้อยคําแรกของพระเยซูประโยคแรกจากไม้กางเขนนั้นเป็นถ้อยคําหรือประโยคแห่งการอภัยโทษพระเยซูตรัสว่าโอพระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรถ้อยคําพระวาทาที่สองนั้นก็เป็นถ้อยคําที่เกี่ยวข้องกับความรอดพระเยซูตรัสว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกเสม ราวาทาที่สามบนแมง เ, เขนของพระเยซูนั้นเป็นถ้อยคาแห่งความรักรเยซูตรัสรว่ายิ้งเอย๋ยจงดูปวดของท่านเถิดและพระเยซูตรัสรว่ายอนจงดูมารดาของท่านเถิดนี่เป็นถ้อยคำแห่งความรักซึ่งเป็นภาวะทาที่สามภาวะทาที่สี่ของพระเยซูบนแมงเขนนั้นเป็นถ้อยคําที่แสดงถึงความเจ็บปวดพเยซู ทรงตรัสว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ไไนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียวันนี้อยู่ในภาวะท่าที่ห้านะครับเป็นภาวาที่งเป็นถ้อยคำแห่งการทนทุกข์เรากระหายน้ำภาวะทาที่หานี้เป็นภาวะท่าเดียวครับที่พบในพระกิติคุณยอนพระคมพีรนะครับเป็นความจริงในทุกเล่ม จากข้อเท็จจริงว่าไม่ใช่ผู้เขียนสระกิติคุณทุกเล่มได้รวบรวมเนื้อหาแบบเดียวกันเป็นหลักฐานของการเปิดเผยซึ่งพิสูจน์ความจริงแต่ขณะที่แต่ละคนเขียนผลงานของตนภายใต้การทรงนำของญ้อมู์บริสุทธิ์เขาใด้บันทึกบทความข้อเขียนของเขาย้อนเป็นผู้เขียนกิรติคุณเล่มสุดท้ายและเชื่อว่าน่าจะมีการเข้าถึงการเขียนเล่มอื่น แต่ถึงขนั้นเขาก็ไม่ได้เขียนด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันครับเพราะฉะนั้นยอนเขียนเพื่อพิสูจน์นะครับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างนะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าองค์นิรันต์และพระเยซูทรงสภาพมนุษย์ในการนั้นวกันพระเยซูก็ทรงสภาพพระเจ้าด้วยบทสรุปของยอนก็คือว่าพระเยซูและพระเจ้าพระบิดาทรงมีธรรมชาติเดียวกันทรงเป็นหนึ่งเดียวกัน และพระเยซูสามารถที่รับความไว้วางใจในฐานะพระเมสสิยาพระผู้ไทยที่ทรงสัญญาไว้นี่คือจุดประสงค์ของการเขียนของยอนครับพี่น้องครับเสียงร้องหรือรวาวะท่าแห่งการ ท, ทนทุกข์นั้นเราได้รับบทเรียนในพระกิตติคุณยอหนบันทึกตามคำพยากรณ์ในสดุดีบทที่หกสิบเก้าข้อยี่สิบเ็ดเขาให้ดีหมีแก่ฆ่าพระองค์เป็นอาหาร ให้น้ำส้มสายชูแก่ข้าพระองค์ดื่มแก้กระหายพี่น้องครับเราเห็นได้ว่าพวกทหารนั้นก็นำเอาน้ำส้มสายชูนะครับและก็ชุบฟองน้ำยื่นให้พระองค์แต่พระองค์ไม่สวยแล้วเขียนนะครับว่าคุณพยากรต่างๆในพมธีเดิมนั้นได้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องแม่นยำนะครับที่บนแมงเเขน การตึงแม่งเข็นเป็นทำพยากรณ์ที่ได้เคยพยากรณ์ไวย้ยกอย่างเช่นครับการทรยศของยูดาสการถูกทอดทิ้งโดยบรรดาสาวกการกล่าวโทษจ้างข้อหาที่ผิดผิดความเงียบต่อหน้าผูาา้พากษาถูกประกาศว่าไม่มีความผิดถูกนับเข้ากับพวกคนบาปถูกตรึงถูกยัดเ ย, เย้ยเสื้อผ้าของโรงถูกจับสลาก พระองค์อธิษฐานเผื่อศัตรูของพระองค์พระองค์ถูกทอดทิ้งโดยพระเจ้าพระองค์ถูกฝังในอุโมงที่ขอยืมมาเอียงครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในท้อมพีเดิมซึ่งสำเร็จอยู่บนแม่นเขนครับจากเสียงร้องแห่งการทนทุกข์ของพระเยซูเราได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติที่เป็นพระเจ้ากับมนุษย์ที่อยู่ในตัวของพระเยซูจากเสียงร้องของความกระหายน้าของพระเยซูคริ เปิดเผยส่วนที่เป็นมนุษย์แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นของพระเยซูเรารู้นะครับว่าพระเยซูนั้นได้เสด็จลงมาบังเกิดในภาษาอังกฤษเรียกว่า incarnation นะครับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่พระเจ้าได้ทรงกลายเป็นมนุษย์บังเกิดเป็นมนุษย์นะครับพระเยซูไม่ใช่มนุษย์สวรรค์แต่เป็นมนุษย์จริงๆครับเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงเป็นมนุษย์ เมื่อเป็นมนุษย์พรงษ์ก็กระหายน้ําได้พรงษ์ลำบากได้แม้แต่อยู่บ น, นไม้ยงเขนเพราะเนื่องจากมีผู้ที่เข้าใจผิดหลายอย่างว่าพระเยซูตอนที่อยู่บ น, นไม้ยงเขนพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าบ้างหรือพระเยซูเป็นไม่ใช่เป็นมนุษย์บ้างอะไรทํานอง น, นี้แต่พี่น้องครับพระคัมภีร์บอกกับเราชัดเจนว่าพระเยซูกระหายน้ํา แสดงว่าพระเยซูมีความเป็นมนุษย์อยู่ครับในขณะที่พระเยซูเรียกมารีหญิงเอ๋ยพระเยซูทรงเรียกในฐานะพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูทรงทำให้พระสิริของพระองค์ว่างเปล่าที่นี่ภาษาอังกฤษแค่ว่า empty himself นะครับซึ่งอยู่ในพระธรรมปฐิปีบทที่สองข้อที่หกและข้อที่แปดบันทึกอย่างนี้นะครับพระเยซูผู้ทรงสภาพของพระเจ้า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 พระเจ้าได้ทรงกลายเป็นมนุษย์เพื่อจุดลุ้งหมายแห่งการรับประสบการณ์ความตายครับในสภาพของมนุษย์เพราะฉะนั้นพวกเราจึงมีมหาปุโรหิตในสวรรค์ผู้ทรงเป็นตัวแทนของเราซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีประสบการณ์ในเรื่องของการดิ้นรนต่อสู้ชีวิตแบบพวกเรามีประสบการณ์ของการเจ็บป่วยแบบพวกเรามีประสบการณ์ของความตายแบบพวกเรานะครับเพราะฉะนั้น เราจึงมาถึงพระเยซูได้ครับอย่างกล้าหาญนะครับเราจึงมาถึงพระเยซูได้ด้วยความรักและความอบอุ่นเพราะเรารู้เราเชื่อว่าพระเยซูนั้นเข้าใจพวกเราพระเยซูเข้าใจเราทุกๆุกวินาทีในทุกทุกช็อตของชีวิตในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างครับพี่น้องครับพระเยซูทรงทนทุกทรมานในฐานะมนุษย์ในฐานะบุคคลโดยปราศจากการใช้อานาจ ตามธรรมชาติของพระเจ้าของพระองค์เลยนะครับพรงปฏิเสธที่จะไม่ใช้อํานาจของความเป็นพระเจ้าแต่พระเยซูทรงรับความทุกข์ทรมาณในฐานะมนุษย์ครับสหารนั้นให้เล่าอโงนเปรี้ยวเพื่อดับความกระหายของพระองค์แต่พระองค์ไม่สามารถที่จะรับได้พรงปฏิเสธแต่เสียงร้องแห่งการทนทุกข์ติดตามมาทันทีด้วยสามชั่วโมงแห่งความมืดครับพี่น้องเมื่อทั้งก่อนนั้นเรารู้ว่า ท้องฟ้านั้นมืดครับพระเยซูอยู่บนกางเขนหกชั่วโมงนะครับท่านพีพ่บอกว่าเริ่มตั้งแต่ชั่วโมงที่สามไปถึงชั่วโมงนะครับขอโทษครับเริ่มตั้งแต่ชั่วโมงที่หกไปถึงชั่วโมงที่เก้าพระเยซูอยู่บนไม้เขนนะครับในขณะที่มีความมืดอยู่นะครับสามชั่วโมงหลังครับพระเยซูอยู่บนไม้เข็นทั้งหมดหกชั่วโมงในระหว่างนี้ครับเรารู้ครับว่าพระเยซูทรงมีความนึกคิดชัดเจนครับ เพเยซูสามารถร้องด้วยเสียงดังนะครับก่อนที่เพเยซูสิ้นพรชนม์ที่นองครับการทนทุกข์ของพระเยซูกฤตจากคําถ้อยคาที่ตรัสว่าเรากระหายน้ําเราเห็นถึงความปรารถนาของพระเยซูนะครับก็คือพรองพร้อมที่จะกระทําตามน้ำมัไทยของพระเ้าพระบิดาในการเด็ดดึงกันพรองก็ทรงกระทําให้สําเร็จและยิ่งไปกว่านั้นขณะที่พรองทําให ทำให้สําเร็จอยู่นั้นทรงต้องรับความทุกข์ทรมานครับด้วยชีวิตฝ่ายโลกด้วยความเป็นมนุษย์ของพระองค์นะครับชีวิตที่เป็นเนื้อหนังของพระองค์เหมือนกับพวกเราพระเยซูไม่เคยทําบาปและพระเยซูทรงรับทุกข์เหมือนกับพวกเราเจ็บเหมือนกับพวกเราครับในขณะเดียวกันพระองค์ทรงประกาศหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นที่เหนือความตายแล้วครับว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้กับพระองค์แล้ว น้องครับพระองค์ทรงฤทธานุภาพเปลี่ยนน้าให้เป็นเหล้าองุ่นได้ทรงให้น้ําแก่หญิงที่บ่อน้ําถึงแม้กระนั้นก็ตามครับในที่สุดพระองค์ทรงถูกแขวนบนแมงเขคนนะครับด้วยริมผีปาก <c oughs> ที่แห้งผักพี่น้องครับเมื่อเราคิดถึงริมผีปากที่แห้งผัก <c oughs> ผมเองนั้นเคยมีประสบการณ์ริมผีปากที่แห้งผัก <c oughs> ขณะที่โดนฉีดคีโมขณะที่อยู่ในระหว่างการปลูกถ่ายไขกระดูก ผมรู้ครับว่าริมพิปากที่แห้งผากนั้นเป็นอย่างไรแต่ตอนนั้นหากผมรู้ว่าพระเยซูทรงมีริมพิปากที่แห้งผากผมก็คงจะรู้สึกว่าผมเองนั้นเทียบกับพระเยซูไม่ได้เลยพี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูทรงทำอะไรเพื่อเราเราจะทำอะไรตอบสนองต่อความรักนั้นบ้างขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้จักพระเยซู อย่างที่พระองค์ทรงเป็นครับอาเมน